ส่วนที่สองตายแล้วไปไหนได้บ้างพุทธพจน์เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เหตุเกิดแห่งกรรมเป็นไนคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมก็ความต่างแห่งกรรมเป็นไน คือกรรมที่ให้วิบากในนรกก็มีที่ให้วิบากในกาเนิดสัตว์ดีรฉานก็มีที่ให้วิบากในเปรตวิสัยก็มีที่ให้วิบากในมนุษยยโลกก็มีที่ให้วิบาในน ก, ก ใ, บาในเทวโลกก็มีนี่เรียกว่าความต่างแห่งกรรมจากนิเพธิกระสูตรคนพานประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจแล้ว ย่อมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวเอาไว้ทำแต่ความชั่วร้ายทำแต่ความเลวทรามเขาย่อมเศร้าโศกลำบากใจคร่ำครวนร่ำให้ตีอกชกหัวถึงความหลงเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนารกจาก ภาละบันดิตสูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์ภพภูมิไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆกับทั้งไม่ได้เกิดจากความลำเอียงของใครแต่เกิดขึ้นด้วยวิธีที่เราคิด เราใช้ชีวิตด้วยความคิดแบบใดหลังตายจากโลกนี้ไปก็มีสภาพของภพภูมิที่เหมาะจะรองรับกับความคิดแบบนั้นนี่คือความจริงของจั ก, กรวาลมีเหตุย่อมมีผลมีกรรมย่อมมีวิบากและไม่ต้องลำบากหาใครมาออกแบบหรือสร้างสารรค์ภพภูมิต่างๆกรรมจัดการให้หมดคนใกล้ตายย่อมรู้ตัวอยู่ว่า ชีวิตที่ผ่านมาสีอะไรขาวเทาหรือดำถ้ารู้สึกถึงความขาวก็มีแต่สบายใจอยากไปดีเสียเร็วๆส่วนถ้ารู้สึกถึงความเทาก็อาจมีความไม่แน่ใจเป็นห่วงอนาคตตัวเองไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยกันแน่แต่ถ้ารู้สึกถึงความดำ คราวนี้จะถึงขั้นกลัวตายหล่นลานทุกคนย่อมกลัวตายทว่าคนบาปจะถึงขั้นประวัติพรั่นพรึงสยดสยองพองขนไม่อวดดื้อถือดีอยากพิสูจน์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังความตายอีกต่อไปสาระที่กวนเข้าใจคือเปลี่ยนความคิดได้ก็เปลี่ยนภพภูมิได้โดยที่แท้แล้วโลกนี้ เป็นเพียงจุดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนระหว่างพบด้านล่างกับพบด้านบนเป็นจุดตั้งหลักตัดสินว่าวิญญาณใดจะไปครองอัตภาพแบบไหนในอนาคตเบื้องหน้าจุดเปลี่ยนของคุณอาจเกิดขึ้นที่นาทีนี้ก็ได้ถ้าตัดสินใจหนักแน่นพอ